ความคิดความเชื่อความฟุ้งซ่านในธรรมะนี่ไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเท่าไหร่หรอกนี่ธรรมะไม่ใช่ข อ, อไ้คิดหลายคนเนี่คิดธรรมะไปเพลินสนุกรู้กสือกูเก่งกูเก่งไม่ได้เรื่องเลยคนที่เขาภาณาเป็นมีหูมีตาก็รู้ว่าไม่ได้ความหรอกถ้าภาวนาเห็นตัวเองได้ก็ชักจะได้ความแล้วเห็นกายเห็นใจมันทำงานไป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 เป็นพระอาหารชนิดที่เรียกว่าสุขวิปัสสกะนะไปได้ไม่ใช่ไม่ได้แต่ถ้าสอนพระจาสอนอีกอย่างนะสอนพระเนี่ยหลวงพอ่อจะสอนว่าต้องทําสมาธิด้วยเพราะอะไรว่าพระไม่มีกามมาสุขเลยอยากกินไม่ได้กินอยากนอนไม่ได้นอนนะบางวันแล้วเจออาหารอาหารนั้นว่างนะเปิดบาตรมาว่างเปล่านะเจออาหารว่างไนมะ่ได้ไปกินอยากกินโ น, น่นกินนี่มีแต่อาหารว่างนะไรอย่างนะี้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 หน้าร้อนๆอนหน้าหนาวหนาคิด <ś Scott> <K iss uk> ดูนะถ้าเราเดินกลางแดดนะเราห่มผ้าหมไปด้วยอะะรู้สึกยังไงนะ <ś c uk> งั้พระไม่มีกรรมมาสุขคือความสุขทางร่างกายไม่มีหรอกลำบากแต่ถ้าพระทำสมาธิได้นะพระมีฌานสุขพระอยู่ได้นานห ว, วดไปเรื่อยเรื่อยมีความสุข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 การตั้งใจดูประหยัดนี้ได้การพอน้ำจยไปได้ได้ไม่ได้ทําเพื่อเอาแต่ทําเพื่อให้เห็นว่าจริงๆมันเป็นไงจริงๆไม่เที่ยงจริงๆเป็นทุกข์เป็นหน้าตานก็เริ่มเห็นว่าจิตมันบังคับไม่ได้มันมันทําของมันเองบางอืแต่ก็ยังอยากบังคับอยู่จิดต้องถึงฐานนะสมาธิต้องพอ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 นมัศกขกังค่ะพระอาจารย์ปีที่แล้วพระอาจารย์แนะนําโยมว่าให้โยมดูโทสะที่มันแทรกขึ้นมาเงืองแล้วก็ในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยโทสะเขาจะเกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็โยมจะมีจิตที่จิตดวงหนึ่งเนี่ยเขาจะรักดีอีกดวงหนึ่งเน่ยเขาจะร้ายมากๆจิตดวงที่ดีเนี่ยเขาพยายามที่จะไม่ให้จิตดวงที่ร้ายเนี่ยโผล่ขึ้นมาได้จิตที่ร้ายในยพระอาจารย์เขาร้ายมากๆเลยทั้งแบบประมาณว่าอาฆาตพยาบาทแล้วก็แบบ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 เออ ม, มันถูกหรือเปล่าคะหรือว่ามันเป็นอาการติดเพ่งหรือเปล่าไม่ไม่เป็นอะไร<อ>จิตมันนะั้มันก็ทุกข์อย่างนั้นแหละาหานะแล้วมันทํางานนะมันมีจิตใต้สํานึกมีอนุสัยกิเลสอะไรเงี้ยนะมีวิบาบกเก่าๆอะไรเงี้ย น, นะมันก็ทุกข์อย่างนั้นแหละ <c oughs> แล้ให้ดูไปด้วยใจเป็นกลาง <c oughs> จุดสําคัญอยู่ที่เป็นกลางนะค่ะ <c oughs> แปลว่าเมื่อเช้ามันยังไม่ค่อยเป็นกลางใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ไหม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 ตัว น, น, น, น, น, น, นี้มันเกินธรรมดาจิตขณะนี้มันเกินธรรมดาอยู่หน่อยหนึง่งสังเกตไหมมันเหลือตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่งดูดออกไหมดูดูไม่ค่อยออกรูนะ้สึกไห ม, ไมว่าใจมันนิ่งกว่าความเป็นจริงอารู้สึกเจ้ค่ะเออนะ่ะเนี่ยให้รู้ทันว่ามันนิ่งๆจิตเราไปล็อกอยู่ตอนเนี้รูอ้อย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยๆนะจิตนิ่งๆแข็งๆอยู่รู้ว่าแข็งๆอยู่จิตคลายออกรู้ว่าคลายออกนะจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตร้ายรู้ว่าความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเขาคุณอะดูจิตได้ชัดหรอก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 ใช้พุทโธช่วยได้ไหมคะได้แต่ไม่ใช่พุทโธเพื่อให้จิตสงบนะพุทโธถ้าจะใช้พุทโธบริกรรมเนี่ยก็พุทบริกรรมแล้วรู้ทันจิตไปเดี๋ยวก็จิตจะสงบเองแต่ถ้าชอบคิดนะอย่างคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าท่านดีอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยใจเราศรัทธาขึ้นมาเดี๋ยวก็สงบได้เดี๋ยวจะใช้พุทโธอย่างเดียวก็ได้ติดขัดอะไรก็ไปถามหลวงพ่อคําเขียนเนาะนี่ใช่ภู่มา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 ก็เรียกว่ารู้ทันแนละว่ากาลังมั่วอยู่แต่บางทีนั่งมาธีแล้วมันก็เกงๆค่ะก็เก็งไปก่อนนะจะให้พอดีทํายากหรอกถ้าอยู่ที่ความชมนานาญแต่<ม>ที่ส ม, สมาธิต้องใช้เวลาหลวงถ้าชานาญบอกว่าหลงแล้วก็อยากแล้วก็โทสะหนูก็เป็นคะ่ะอืมเป็นธรรมดาแล้วทําไปเรื่อยๆอย่าให้ขาดสติก็แล้วกัน อาเชิญกลับบ้านนะ